สิกขาบทที่สีเรื่องพระชัพพคี599สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่น้าพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสวัสถีครั้งนั้นพวกพิสุิชัพพักีนั่งคลุมศีรษะในละแวกบ้านพระบัญญัติสี่พึงทำความสำเหนียกว่าเราจะไม่นั่งคลุมศีรษะในละแวกบ้านเรื่องพระชพคีจบสิกขาบทวิพัง ภิกษุไม่พึงนั่งทุมสีษะในละแวกบ้านภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อนั่งทุมศีรษะในละแวกบ้านต้องอบัติทุกกดอนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ1นภิกษุไม่จงใจสองภิกษุไม่มีสติ3าภิกษุผู้ไม่รู้สีภิกษุผู้เป็นไข้5้ภิกษุอยู่ในที่พัก6กภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง7จภิกษุวิกลจริต8ปภิกษุต้นบัญญัติสิกขาบทที่4จบ